เจพุทธสภาคมพทธศักราชสองพันหาอร่อยหาสิบเจ็ดเมื่อวานตอนบ่ายสามสี่โมงแร้งดูสิว่าฝนตกก้ตกแห้งเมื่อวานแล้วก็ล่มแรงอีกตัางหากแล้วก็นาก ที่จะมาบวชในวัดเท่ามีเขอมาอีกมือนี่อเป็นสามนาให้ตังอุกตังใจนะั้นถูกหลานบวชทั้งที่ชีวิตแต่ผู้นึงกับแม่บัสบายกระ บ, บวดไหแม่กระดีขึ้กันเป็นกำลังใจของบรรพบุรุษให้กำลังใจกับแม่ผู้แม่เห็นไส้ผ่าเหลือง พร้อมกันกับอุทิศส่วนกุศลต่อเจ้ากรรมนายเวนในอดีตชาติพัน ม, มันมี่ขอให้โลกค่าประหยัดหายในที่สุดอันนี้ก็คือเป็นบุญกุศลคือกันโบลัมโบล้านค้นโบล่านเิ่นคันมีอุปสรรคนักหนา เกิดขึ้นในครอบครัวเพิ้นศิบะบวชนะฮะเปินเป้นบะบวชบใใคะคำนี้ไกลๆว่าเออขันผู้ขาหายจากโกาครคไผ่ไข่เจ็บข่าวไปเจ้าจะบวชในพระพุทธศาสนาธรรนเดือนทุนนี้ปีหรือตลอดชีวิตก็ว่ากันไปนี่อันนี้ก็คือคนโบราณเขาถือกันมาก็คงจะเห็น คนู่ประการแล้วว่าเห็นบุญกุศลสําหรับแต่ละคนในยุคสมัยนั้นเขาจึงถือกันมากแต่ว่าเฮ้าทั้งหลายที่เพิ่นถือมากบางเซียงบางยางเฮ้าก็ได้คิดเขือกันสรุปแล้วหลวงพ่อเนี่ยก็ย่งบอปฏิษษปเสธว่าเซียงเหล่านั้นสี่มีประโยชน์และก็มีประโยชน์กันล่มกันตายกันทุกข์กันยากกันบวชแล้วก็มาถึงขนาดนั้น แต่วอย่างไ ก, เกง็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจทุกคนในครอบครัวเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเขาก็เอเอจะทาจะสางคุณนง่ามพ่อขดีจะรักษาศีลบวชชีพ้พรมเท่านั้นมือทนีวันเท่านั้นเดือนหรือจะบวชพระรักษาศี แลาวนี่เป็นตนสรุปแล้วก็คือประกอบคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องยึดทางด้านจิตใจของคนในครอบครัวอันนี้ก็เป็นลักของพระพุทธศาสนาถ้าได้ขางพระพุทธเจ้ามีบอสถ้าจะเปรียบเทียบก่ามีคือสมมติว่าพอค่าสิไปทำมากค่าขา ย, ยพอค่าจะไปค่าขาย เขาจะไปทําบุญกัพบพระพุทธเจ้าก่อนออไปทําบุญเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลขันนางวาดไปทํามากค่าขายออมันก็เสี่ยงทั้งโจรผู้ร้เพราะมันไปตั้งทินตั้งแดนบอกว่าเขาจะดักปนมองได้จติตเตโตสู่กับโจรผู้ไร้จังได้เสี่ยงเหล่านั้นมันก็ไึงเสี่ยงเออพราะนั้นถึงยังไงให้ทําบุญก่อน ก่อนที่ไปคันมัับมาแล้วก็ตลอดปลอดภัยแล้ยเออมาทําบุญเอง ก, กับพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกอันนี้ก็คือในขางพระพุทธเจ้ามีแล้วก็ตลอดถึงผู้ที่มีทองมีขั้นแก่คนจะไมนั่ น, นข้นคลอดลูกเนี่ยเป็นอันตรายอก่อนที่คลอดลูกนี่ยนะขอให้ทําบุญให้ได้ทําบุญสะกก่อนอ่ เพื่อเชียงกันคำว่าตายไปในส่วนที่คลอดปุ๊คลอดลูกอะจากไนไกม่มีเครื่องย็ดเหียวทางด้านคิดใจอันนี้เขาก็นียมกันทําบุญในครังพระพุทธเจา้าตลอดถึงผู้เจ็บไข้ได้ป่วยคือเขาไปสู้ซึกสงครามการเดี่ไปสู้ซึกสงครามนี่คือว่าเกณฑ์ไปสู้ซึกสงครามเขากนกับมากกัมาทำบุญซะก่อน เพื่อทำบุญให้ตัวเองสะก่อนเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลการว่าไปพ่ายภาคหนาก็บอหันใจในชีวิตอาจจะลม้มจะตายก็ได้อันนี้ก็เลยทำบุญไหว้ใน่ทายให้ทำบุญให้เจ้าของสะกก่อนอันนี้คือคน้นคือค้นโบล้านเขาถือกันมาตีหลวงพ่อพูดที่ว่าผูมีขั้นแกก็ดี ไปทามากข้าขายก็ดีไปสู้ซึกสงครามก็ดีไปลือเรื่องที่อันตรายที่จะเกิดขึ้นในตัวเองและครอบครั ว, ก, วก็ตามในพระไตรปิฎกพันาวหวจังสินะอันนี้เป็นตัวอย่างให้พวกเฮาทั้งหลายเพื่อฟังเพื่อการศึกษาแต่เมื่อมาถึงยุคของเฮาก็ยุควิทยาศาสตร์เจริญถึงจเจริญขนาดไหนก็เถอะ กระ บ, บอกหมมไตขึ้นเขาเกิดมาแล้วนั่นขอให้พวกเข้าทุกทุกขทุกคนอย่าตั้งอยู่ในความประมาทไอ้เก็บหอมรอมริบไอ้สางบุญสางกุศลเขาสู่จิตเขาสู้ใจนั่นแหะเลิศประเสริฐที่สุดคือตั้งอยู่ในคข้อไม่ประมาทถึงจะมั่งมีสีสุขมือนีเอาทั้งกินเข่าแสบนอนรับมีความสุขกายสบายใจมีทุกสิง่งทุกอย่าง แต่ว่าอีกสักมือนึ้งคางนาเนี่ยที่เป็นยังไงเข้ามองบ่เห็นยังบ่ดันถึงมือนั้นแต่ว่าทีผ่านผ่านมาเข้าเห็นแล้วเอถึงจะมีความสุขขนาดไหนก็จิทีผ่านผ่านมาเข้าเห็นเอไปในงานศพของเพิินแต่เข้าของบริว่ารยังเพิินกระตายเอข้าได้บ่เนี่ยเข้าอยู่บ่เป็นยังเพลินบ่สิ่งเราหนีเขาก็ต้องได้คิดอีกคือกันอืม เนขนาดเพิ่นมีความสุขลำลด้ยมั่งมีสีสุขขนาดนั้นเพิ่นก็นย่างจากไปบัตห า, าเฮาล่ะเฮาก็สิจากไปคือกันกระเพิ่นนั่นแหละพอนันเฮาเน้ออย่าตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลควรจะทาสิ่งนั้น เ, เพื่อความาสุขกายสบายใจเฮาจะได้รลำลึกถึงโค่นง่ามความดีของเฮา อันนี้คือพวกเขาจะต้องได้คิดได้ำนึกํำเนียกไว้โดยสม่าเสมอจึงจะถูกต้องนะหลวงพ่อวานะมาเว่าเรื่องเมื่อฝนเมือม่อว่านเห็นไหฝนเมื่อว่า น, นแห้งข้ามันตกสักเป็นสองชั่วโมงเนี่ยน้ำเลยขึ้นจิได้น้ำได้เนื้อแต่นีมันขาดมานานพอฝนตกมากมันก็ดูดลงไปใน ด, ดิน ดินมันก็คกลื่อนน้อแต่ว่าหนากลัวก็คือล้มแหละเมื่อวานไงพอว่านบปสามสี่โมงหลวงพ่อกันล่างฉันน้ำอยู่มืดฟ้าโมดินมันก็ล้มย่างแหงแล้วหนะลวงพ่อก็ค่อยๆเบิงเบิงขึ้นกันพอแล้วล้มแล้วก็เลยออกเบิงเบิงโอ้ต้นใหม่ต้นให้จูเนหม่อล่างบาดคูบาฮนะัาก ดันเล่ดานาแต่몽องอื่นปบปบไปอย่างได้บันรไงมองอื่นพปบปบไปอย่างลุงพ่อก็ย่างก็ไปพุ่งละทางร่องขัวทั้งไฟอุบไจจิกาผ่านโยมผาดนั่นยางน้ํนาหลังไปไปเบิ่งทุกความปลอดภัยกำนามากิ่งใหม่งาใหม่มันหักลงมากุติศาลากุติที่พักถึงค้นโอยูมันเสียหายเข้าจะได้สอบรีบซ่อม พอใบมันฝนตกสั่มอีกมันถีเสียหายกุฏินลยตรงพอโดยมากขั้นพอมืดบอกคาตรงพอจะยางไปเบิ่งนะผมหมู่ว่านก็บใบสามในะบาสามใบ ส, บสีสี่มงแรงนะ่ยางรออออปลอดภัยแต่ว่ามองคู่บาหม่องคู่บาล่างบาททุกมือน่ที่ล่างบาดนี่โอ้เสียหายลงงาไม่ลงหลายเพราสมควน แต่ยังโค้งสั่งบวหักก็ยังดีอยู่มีแต่กระเบื้องแตกกระเบื้องนี่ยโคงจะหลายสิบแผ่นอยู่บางบึงกู้บาบางก็รีบขนออกกับชาวบ้านนะเอาชาวบ้านมาดมู่บ้านแดงมอมาตัดมาอย่างซอยกันแต่มือเหนื่อยบังเพื่อท่านแล้วอยู่ยังอยู่ทั้งๆก็ยังมีอยู่คงจะได้ อ, ออกอีกเพราะมันงามันหักผับเสียหายแต่ลุงพ่อก็ มาคิดอีกคือกันเอ๊เป็นอย่างใหม่มันยังหักลงใสไซมองล่างบาดกู้บาวะ่ะมองอื่นเปิดบ่หักมันหักเฉพาะมองใส่หมองล่างบาดเนี่ยบันเป็นกู้บาเวลาล่างบาดมันจะไปหาควี่ ก, กันเบ่สะเพเฮละอาจจะทะเลาะกันให้หันกรบโฮโบโหเราลงไปเที่อดาอารักอยู่ติให้ใกล้ๆเห็นโอ้ลำข่านกู้บาพวกนี้เว้ย เลยหากเกียงใหม่ลงมาทับใช่ไหมเตือนคู่บาวนังไปพราะนั้นคูบาทั้งหลายหน้าเวลาไปล่างบาตจะไปหาคุยกันแล้วสิ่งที่บขุนว่าบุควนพูดอย่าไปทะเลาะกันตังอกตังใจล่างบาตเผาวน้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเที่ยวดาเขาจะได้อุปโภโมทนาหนํากันทูเจ้าไปในไม่แต่คุยกันมาหลงสงเสงมาเลงเสงสงจานนะ เที่ยวดาวเขากระชินลำข้า่นขึ้นกันเนี่ยขึ้กันกับคนเท้าเนี่ยเท้ามานังเน่ยเป็นผู้นางเบิงเนี่ยพวกนั้นมาคุยต้อหนหาเท้าเนี่ยขันบอกมีเหตุมีผลกับเป็นตะฟังอยู่ไดนี้มันบ่ละขันบอกว่าต้อหนหาทำไมบอกฉะได้กระโ่บบหูเพอเพยเอ่างอวดมังอวดมีอวดซักอวดสีอวดลำอวดรวยอวดมัดอวดมุ่ยอวดกิเลศโลบโกรดลงงไง ไอ้ผู้ฟังเนี่ยมันก็นล่ำข้า่นขึ้นกันเอยอันนี้คือกันพวกผูกบาทั้งหลายนะอย่าไปหาคุยกันคำองสงเสียงเห็นมน่ะเที่ยวดาเตือนเราได้ะนะลงหลังค้าจะมุนอาญะเนี่ยหมงล่างบาติตั้งหากลงพอยงคู่บาวันหนึ่งอาจจะบอกพ่อวานาบ้าง ม, มาล่างบาติเที่วดาล่ำข้ฮะเองเจ้ามหาว่าให้ไปหาล่างหมองอื่นเอาไปคู่บาวันนี้ อย่างไรบอกสัมล้มบอลละว่างปากล้ำขัน้นอะไรเทวดาขี่ล้ำขา้นอาจจะมีได้เพราะนั้นขอให้พวกกูบาทั้งหลายนะสัมล้มระว่างปากอย่าไปพูดอย่าไปคุยกันใการที่บอกให้พุดโธพุดโธในใจใสัมล้วมใจของเจ้าของนะ่ะเลิดประเสริฐที่สุดนี่แหละอันนี้ก็คงจะได้สอมละ แต่ที่หลวงพอบววัยเข้าตรงเตรียมกระเบื้องไว้แต่ละครั้งว่าทากันสองรแผน่นเพื่อหลังข้ามันแตกกระทันหันก็ต้องได้รีบสอบการสั่นค้องเสียหายคณะว่าเ้อบอรีบมุ่งไว้เพราะนั้นจึงได้เตรียมกระเบื้องไว้ในวัดของเข้าบอทากันสองรแผน่นแต่ละครั้งนะแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะได้รีบ มุ่งวัดว่าศาสนาเป็นสานาศรัทธาญาติโยมลูกหลาเนเลยมันต้องได้เบง้องต้องได้คิดไว้มัดนะพวกเข้าเป็นคารวะญาติโยมขึ้นกันนะเป็นบเมยูกินเป็นมือมือยูเป็นมือมือช่เป็นมือมือมันบ่แมย์เลยผู้ใหญยูใสกระว่างอแผนในการเป็นยูของเจ้าของน่ะ อย่างที่วัดหงลงพอน่ะมันตนใหม่มันหลายถึงนานี้ขึ้นมากเพราะจาก n g ใหม่ใดเกียงใหม่ใดอดูซึ่งว่าตนใหม่มันจะเอ็นไปทั้งใดแต่มันล่มกับแทกมาะมันหงายหลังกันมีอย่าไปคิดว่ามันจะไปทั้งนานไปทั้งมันเอ็นโมเมนต์ใบางทีมันปั่นหมุนหมุนขึ้นมากขนาด nga ใหม่ก็ล่องใช้กระเบื้องแตกแต่ก็ถึงอย่างไรก็บว่านักนาดอกยี่สกว่าปีเกือบ30สปี เข้ามาสั่งวัดยังหมดท่านจังๆเพระท่านเคยมีมีแต่จังสี่แหละแต่หาแผ่นซีแผ่นยางหมากกระยี้ทิแผ่นกระเบื้องแต่จะให้ฮักทับหลังคงหลังค่าจริงๆกับบ่มีขันวาบ่มีแต่ก็มีเทเดืองท่วาในี่หลวงพ่อวอ้ฟั่งกำลังที๋ฉันจังหนันจังสี่ละหลวงพ่อกาลังเ ท, ทิดจังสี่ละกาลังหมู่จังสี่ละได้ยิดในเสียงข่าห อ, ข อ, ขอ ต่อมพอ่<ก>พอหตรงพ่อเอ๊มันเหมือนไม่หักทับกระเบื้องนาเนี่ยในใจนแต่หลุงพ่อก็บอไปเรื่อยขึ้นกันพอาะใจล้วไปเบื้องโน้นไม่เป็นหน้าไหนอพอไปเบื้องหนูงาให้ออกโอบนึงพ น, น่ะมันล่งทับกุฏิยีพอพ่นก็นั่งพาว่าหน้าอยู่เพพ่นก็เปิด วิทยุเหมือนหลวงพ่อก็งว่าวจงิง่มันออกกสถานีวิทยุพนก น, นางฟังฟังหลวงพ่อเทศอยู่านังฟังเทศอยู่ท่นมันก็กรอบๆเพอบกรอบเที่ไหนมันหําหลดเอแปลว่ากระเบื้องจนมืมีแผนดีสักแผ่นน่ะห่าง น, น, น่อยๆนะพ า, านนเนี่ยแต่ข้านออกมาเจ็บบอ่อท่านบอกมมี่นมเจ็บโอ้เก่งเกงเกงหลวงพ่อวะ่ะ เออเนื้อข้าวนั่นแหละข้าวหนึ่งที่เห็นนต่หนาเสียวหวาดเสียวมากๆการนวัตจังไรจะเรื่งมากกับแม่ฮัดทบลงหันกับแม่นั่นอันนี้มันล่งกลางเคืองๆเลยจนกระเบื้องใหมจนเสียหายมัดไปเบื้องโอ้บนหนารอดมาแต่ก็บอเป็นอย่างเนี่ยอันนี้คือพุ่มมะเทีย ว, วดาลูกค้าเทีย ว, วดาคุ้มคล่องแต่สงสัยภาพเพื่อนอาจจะคิดจังไรก็บูหูล่ะ Ừ, พอฟังเทศไปนั่งอาจจะด่าลงพ่อไปนั่งก็บโูโหูวเลยเทียวดา่าเลยลงโทษแต่ลงพ่อก็บวายาวาด้ว่วะเอารับพรในนด้กุลัน